ไม่ต้องเกรงใจอ๋อหลวงพ่อไม่เกรงใจหรอก <c oughs> เขาบอกความเกรงใจเป็นสมบัติผู้ดีหลวงพ่อเนี่ยผู้ร้ายนะครับ <c oughs> ถ้าคนไหนแข็งแรงพอแล้วไม่มีถนอมแล้วคนไหนยินเรียอ่อนแล้วก็ค่อยๆเอากระดาษทรายละเอียดค่อยๆแต่งๆถ้าใจแข็งก็ต้องเอาขวานถากแล้วโอเท้าเหยียบอะไรก็ได้ครับ <c oughs> <c oughs> ของอาจารย์นามนะอย่าฟุ้งซ่านในธรร ม, มะมากไป